จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมสุสันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจําในวันและเวลาเดียวกันนี้ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ญาติโยมสาธุชนกําลังขาดกําลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพทางหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ได้แนะนําสั่งสอนให้สาธุชนญาติโยม ให้รู้จักสแสวงหาความสบายอกสบายใจเช่นการบำเพ็ญบุญในทางพระพุทธศาสนามีการให้ทานการเสียสละการบริจาคและการรักษาศีลคือควบคุมข้อปฏิบัติทางกายกับกวาจาให้เรียบร้อยปราศจากโทษไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนและที่สำคัญก็คือการเจริญภาวนาสมาธิทาให้จิตใจสงบระงับ ปราศจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกลั่นปัญญาวันนี้รายการธรรมะสู่สันติจะข อ, อนำท่านสาธุชนเข้ามาสู่การประพฤติธปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการให้ทานการเสียสละการบริจาคซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยยะมังคโลได้บรรยายธรรมะเรื่องนี้ไว้เป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวในเรื่องของหลักการทําบุญในทางพระพุทธศาสนา จึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังธรรมะในเรื่องหลักของการทำบุญโดยพร้อมกันบุคคลที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้นั้นสิ่งหนึ่งจะต้องคำนึงถึงคื อ, อ, อบารมีการสร้างบารมีบารมีนั้นเกิดแต่บุญ ต้องว่าให้เข้าใจวันนี้จะพูดเรื่องบุญบารมีให้ท่านทั้งหลายทราบบุญคืออะไรบุญก็คือเครื่องกำจัดเครื่องชําระบาปอาคุสลหรือธรรมะภาคดำภาคลากลางให้หมดไปจากจิตใจ จิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นจึงใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสว่างตรงกับพระบาลีว่าธรรมโมปทีปูจึงอยู่พูดในฐานะนักประยัตเขาก็ว่าธรรมนั้นเปรียบอุปมาหรือปัญญานั้นเปรียบอุปมาได้ดังแสงสว่างธรรมโมปฏีปูธรรมะนั้นเปรียบได้ดังแสงสว่าง หรือเหมือนแสงสว่างแต่จริงๆแล้วจิตใจของผู้ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นั้นทั้งใสทั้งสะอาดบริสุทธิ์แล้วสว่างจริงๆด้วยถ้าปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายแล้วก็เห็นถ้าถึงจุดที่ควรเห็นแล้วก็เห็นเข้าถึงธรรมกายแล้วเป็นอันเห็นเลย และธรรมชาตินี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ศูนย์กลางกำเนิดธาตุทำเดิมของท่านนั่นเองเห็นเป็นลักษณะดวงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงธรรมกายหรือก่อนจะถึงธรรมกายเข้าถึงดวงปฐมมรรคก็จะเห็นเป็นดวงบางท่านอาจจะสงสัยทำไมถึงเป็นดวงทำไมไม่เป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมธรรมชาติใด ที่เป็นเองนั้นโดยไม่มีอะไรปรุงแต่งโดยไม่มีธรรมชาติมนุษย์ปรุงแต่งและให้สังเกตดูจะมีลักษณะกลมมีลักษณะกลมเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจึงไม่เป็นโยไม่เป็นเยกลมทีเดียวแล้วก็ใสสะอาดบริสุทธิ์แปลว่าเป็นธรรมชาติเครื่องชําระจิตใจ ให้สสะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสนี่คือธรรมชาติของบุญกุศลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศูนย์กลางกําเนิดธาตุทำเดิมกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายของแต่ละกายที่จิตใจใสสะอาดและนี้เองเฉพาะที่เป็นบุญ เป็กุศลสำหรับมนุษย์สำหรับความเป็นมนุษย์เลยเรียกว่ามนุษยธรรมบุญนี้มีอะไรบ้างกล่าวโดยย่อมีสามอย่างบุญจากทานกุศลการบริจาคทานอย่างหนึ่งศีลกุศลการรักษาศีลอย่างหนึ่งภาวนากุศลการพัฒนาจิตใจโดยการทําสมาธิให้ จิตใจนั้นปลอดจากกิเลสนิวร์แล้วก็เจริญปัญญาเพื่อกำจัดความไม่รู้เรียกว่าการเจริญภาวนานี่กล่าวโดยย่อทานศีลภาวนาแต่ถ้ากล่าวโดยละเอียดแล้วคุณความดีทั้งหลายที่เราทำขึ้นนั้นแหละชื่อว่าบุญเป็นเครื่องกำจัดบาปอากุล ยกตัวอย่างเช่นทานการให้การบริจาคท่านบริจาคทรัพย์สินบริจาคความสุขส่วนตัวเสียสละเวลาเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นหรือแก่สาธารณประโยชน์ก็เป็นธรรมชาติเครื่องกำจัดความตรมีเหนียวแน่นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนเห็นแก่พวกพ้องญาติมิตรหมู่เหล่า นี่แหละที่ว่าบุญนั้นเป็นธรรมชาติกำจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองออกจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นทานกุศลจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งเมื่อแก่กล้าเข้าเป็นบุญเป็นกุศลที่แก่กล้าเข้าก็จะกลั่นตัวเองเป็นบารมีตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายเรานั้นแหละบุญกุศลที่ทาให้ ดวงบุญเนี่ยตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุทำเดิมเนี่ยโตขึ้นโตขึ้ น, นหนึ่งคืบจะกลัน่นเมื่อแก่กล้าเข้าจะกลั่นเป็นบารมีได้หนึ่งองคุลีมือใสละเอียดไปยิ่งกว่าบุญความดีที่แก่กล้าระดับบารมีค่อยๆจเจริญขึ้นจนโตหนึ่งคืบเจ้าของ จะกลั่นตัวเองเป็นอุปบารมีได้หนึ่งองค์ุลีมือแล้วก็อุปบารมีนั่นเองแกกล้าหนักเข้าก็าจะกลั่นตัวเองเป็นประม m ติบารมีได้หนึ่งองค์ุลีมือปรมั m a บารมีของท่านผู้ใดเต็มส่วนหนึ่งครอบและเกื้อหนุนยังให้บารมีอื่นๆ อ, อ, อีกเก้าข้อ คือทานบารมีก็ต่อไปก็เป็นศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีทั้งสิบข้อเนี่ยเต็มส่วนบรมัติบารมีเต็มส่วนได้หนึ่งคืบของผู้เป็นเจ้าของผู้นั้นมีสิทธิ์มีโอกาสมีพลังพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ รวมเรียกว่าบารมีสามสิบทัศเพราะฉะนั้นทานบารมีจึงเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายก็อย่าพึงละเลยอาตมาได้กล่าวณนะบัดนี้ว่า <c oughs> ว่าทานบารมีเมื่อกี้นั้นหมายถึงการให้การบริจาคเสียสละทรัพย์สินสิ่งของส่วนตัวเอง สละเวลากินความต่อไปสละความสุขสละวิทยาการความรู้ความสามารถสติปัญญาของเราเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกถึงให้ทาเป็นทานที่พูดผ่านมาเมื่อกี้ประมวลรวมว่าอามิสรทาน ทานมีลักษณะเป็นของเป็นสิ่งของแต่ช่วงต่อการเริ่มเสียสละวิทยาการความรู้เริ่มเป็นธรรมทานแล้วเป็นธรรมทานและธรรมทานที่แน่ที่สุดก็คือสั่งสอนผู้อื่นด้วยพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนำผู้อื่น ให้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่เริ่มเป็นการให้ทรรมเป็นทานและมากเข้ามากเข้าปฏิบัติตนชำระกิเลส ข, ของตนให้หมดไปจากจิตสันดานนี่ก็เป็นธรรมทานคือเราเสียสละธรรมะภาคดำ ภาคกลางๆให้หมดไปจากจิตสันดานของเรานี่ก็เป็นธรรมทานเหมือนกันสูงยิ่งไปกว่าเดิมอีกและปฏิบัติตนดํารงตนอยู่ในฐานะของผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบหรือรองลงมาในฐานะของผู้ที่กําลังกําจัดขัดเกลากิเลสออกจากจิตสันดานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามรอยบาตรพระพุทธองค์ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นธรรมทานที่เลิศยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าทานกุศลข้อเดียวนั้นมีความกว้างตั้งแต่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อสละความเห็นแก่ตัวสละความโลภความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งที่จริงๆแล้วไม่ได้จีรังยั่งยืน ไม่เป็นสาระประโยชน์สละเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสละให้ลูกหลานคนใกล้ชิดของเราก็เป็นทานเหมือนกันก็ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่สละให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานของเราโดยโตรงสำหรับผู้ที่มีเงินเหลือเฟือหรือทรัพย์สินเหลือเฟือน่ะนะให้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทอื่นให้มีลักษณะกลมเกลียวไปเป็นทานกุศล เป็นธรรมทานยิ่งเป็นอานิสงฆ์มากยิ่งเป็นอานิสงฆ์มากนี่ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นมันสละความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวนี่ไม่ใช่เฉพาะตัวนะมันเห็นแก่บุตรภรรยาครอบครัวสามีลูกหลานนี่ก็ยังเป็นความเห็นแก่ตัวอยู่แต่ก็ยังดีกว่าผู้ที่มีทรัพย์แล้วไม่ให้แม้แต่ลูกหลานจนตัวตายทีนี้ก็ลูกหลานก็เอากันใหญ่เลย ตัวก็ไม่ได้ประโยชน์ลูกหลานก็ยุ่งไปจนถึงผู้ที่สละอย่างเป็นระเบียบไปจนถึงสุดท้ายก็สละเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะอันนั้นเป็นทานเบื้องสูงนี่อย่างนี้อาตมาจึงคร่กล่าวถึงธรรมถึงทานกุศลว่าเป็นของเยี่ยมแต่เยี่ยมยิ่งขึ้นไปตามลำดับ ตั้งแต่อามิตทานเป็นธรรมทานและทานนี้เองเมื่อแก่กล้ามากเข้าจะกกล้าเสียสละสละอย่างไรสละตั้งแต่สละครอบครัวห่างจากครอบครัวไปปฏิบัติธรรมแม่ท่านทั้งหลายมาทำกิจอันสูงสุดของท่านณนะบัดนี้ก็แปลว่าเราสละครอบครัวห่างออกมาครอบครัวจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าท่านยังจิตใจห่วงกังวลผูกยึดอยู่ นั่นสละยังมาไม่หมดจิตใจท่านก็ยังมีธรรมชาติที่เป็นฝ่ายบาปอคุสนคืออุปทานซึ่งเป็นเหตุให้เกิดพบเกิดชาติอยู่แต่ก็ยังดีอุตสาหมาแต่ถ้าใครมาแล้วใจเอาละฉันจะเสียสละนะครับสองสามสี่ชั่วโมงนี้หรือแม้ชั่วนั่งธรรมะเพียงครึ่งชั่วโมงนี้ ให้ความวิตกกังวลห่วงใ ย, ยทั้งหลายขาดจากใจนี่เป็นธรรมทานอันเยี่ยมปรากฏในจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ถึงขั้นตัดพบตัดชาติย่นพบย่นชาติให้สั้นครับสั้นเข้าไปไหนถึงนิพพานเร็วใจหยุดเร็วนี่แหละถ้าค้นวางไม่หมดใจไม่หยุดใจไม่หยุดไม่ถึงธรรม ถึงทำด้วยการอ่านการจำนั่นด้วยสัญญาแต่ถ้าถึงทำด้วยใจหยุดใจนิ่งถึงด้วยใจถึงด้วยใจแล้วถ้าหยุดในหยุดกลางของหยุดต่อไปถึงนิพานได้ถึงธรรมกายแล้วละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปหยุดนิ่งเข้าไปแล้วถึงนิพานได้นี่ทานกุศลดีอย่างนี้และทานกุศลนี้จะเป็นพื้นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีอาิสงติดตามให้ผลแก่ท่านไปทุกภพทุกชาติไม่สูญเปล่านะไม่สูญเปล่าแต่ถ้าท่านเก็บอันนี้อาตมาไม่ได้ชักชวนให้ท่านมาทำบุญอะไรหมดนะถ้าทรัพย์สมบัติถูกเก็บไว้เฉยเฉยไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็สูญเปล่าเราตายไป เ, เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ แต่ถ้าเราให้ประโยชน์แก่สาธารณะเป็นบุญเป็นกุศลทับทวีขึ้นเป็นบารามีเป็นอุ ป, ปบารามีเป็นป a มั m a บารามีแก่เราให้แก่กล้าเราจะกล้าเสียสละต่อไปได้ถึงเสียสละอวัยวะชีวเลือดเนื้อและต่อไปถึงแม้ชีวิตก็สละได้และความที่สามารถสละชีวิตเลือดเนื้อบุตรภรรยาฆ่าทาตได้นั้นเองคือป a r a m a บารามีนี่ว่าเฉพาะทานกุศลอย่างเดียวที่จะพัฒนาขึ้นเป็น ทานบารมีทานกุปะบารมีทานประมั a t b a r ีบารมีทั้งหลายสิบข้อเต็มส่วนถึงประมั a t b a r ีนั่นแล้วผู้หวังเพียงปกติสาวกก็มีสิทธิที่จะบรรลุอรหัตผลได้แต่ผู้ที่ปรารถนาสูงกว่านั้นบารมีก็ต้องทำมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นทานกุศล น, นี้เป็นเรื่องดีและเป็นพื้นฐานให้ท่านรักษาศีลได้สะดวก เพราะอะไรเพราะติดตามให้ผลเป็นโลกียารั์ให้ท่านไม่เดือดร้อนท่านสามารถจะรักษาศีลได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลมากจะสังเกตว่าผู้ที่มานั่งธรรมะไม่ได้นั้นปัดใจหนึ่งคือชีวิตประจำวันนั้นมันต้องร้อนรุ่มมันต้องคิดมันต้องทำอยู่แต่การทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าพอมีฐานะปานกลางก็มาได้ฐานะน้อยหน่อยแต่ภาระน้อยก็มาได้ แต่ถ้ามันเดือดร้อนไปทั่วแล้วมาไม่ได้มารักษาศีลเจริญภาวานา ม, มาทำความดีนี่มันไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ใจอยากทำและแม้บวชเป็นสงไปแล้วปฏิบัติธรรมต่อไปถ้าท่านทำทานบารมีมาดีก็จะส่งผลเป็นปัจจัยสีให้ท่านมีใช้พอเหมาะแก่อัตภาพ ให้ท่านสามารถปฏิบัติไปถึงมรรคผลนิพพานได้สะดวกแต่ถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาที่จะสร้างบารมีสูงกว่านั้นเช่นเป็นอิสีติมหาสาวกอัคราสาวกพุทธอุปถาคพุทธบิดามารดาเป็นต้นหรือสูงขึ้นไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทานบารมีของท่านที่ทำไว้ด้วยดีแล้วนั้นจะติดตามให้ผลให้ท่านสามารถสร้าง บำเพ็ญบารมีที่สูงขึ้นไปกว้างไกลออกไปตามฐานะของท่านได้ทุกภพทุกชาติอย่าสังเกตว่าบางท่านบวชเป็นพระสงฆ์ออกทุดงเข้าป่าไปไปลึกไปที่ไปปวดข้าวอดเพราะทานบารมีน้อยถ้าทานบารมีมากไปตรงไหนออกคนเขาก็เข้าใจว่าเออนี่เราทำความดีเขาก็อยากทำบุญทำกุศลด้วยอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นทานบารมีนี่จะบอกทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงและจะเป็นเครื่องรองรับเราให้ปฏิบัติความดีได้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นทานบารมีนั้นพึงทำและทำนั้นบางท่านบอกว่าเออมีแต่การบอกบุญไปหมดจนเบื่อเต็มทีท่านพิจารณาเอาว่าควรจะทำทานอะไรที่ไหน อย่างไรกับใครตามฐานะตามกำลังของเราจึงจะได้ผลดีที่สุดอา้าวทีนี้บางคนมีข้ออีกแหละว่าอย่างนั้นก็ต้องเลือกทำเลือกทำยังไม่ใช่บุญแท้อันนี้อาตมาฝากไว้ว่าเรามีฐานะน้อยมันก็ต้องเลือกทำเหมือนเรามีพืชพันน้อยที่จะเพาะปลูก ก็ต้องเลือกดินเนี่ยถ้าว่าจะปลูกตรงไหนก็ได้มันก็อาจจะได้ผลน้อยไม่พอจับจ่ายใช้สอยแต่ถ้าเลือกดินดินดีมันก็ให้ผลดีเรามีพันน้อยมีทุนน้อยมันก็พอใช้ได้หรือดีขึ้นให้เราเพียงพอเหล่านี้เป็นต้นจะถือว่าเราเลือกเป็นการมีกิเลสแต่อัตมาว่ามีปัญญาเพราะทั้งสิ้นทั้งปวงเบ็ดเสร็จแล้ว ต้องใช้ปัญญาปัญญาจเจริญขึ้นไปแล้วถึงไหนถึงว่าแม้เราไม่มีเงินสักบาทเดียวก็ทำบุญได้ทำอย่างไรชักจูงผู้ที่ยังไม่มีจิตศรัทธาในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เขามาศรัทธาโดยสัมมาทิฏฐิชักจูงชักนำเขาเราก็ได้บุญ และเขาทำบุญเขาอนุโมทนาเขาทำบุญเราอนุโมทนาับเขาเราก็ได้บุญใจเราก็สะอาดตามคนอื่นไปด้วยคนเห็นความดีว่าเป็นความดีคือคนดีนี่แหละคือผลหรื อ, อานิสงของการอนุโมทนาบุญบางคนขอทำคนเดียวไม่อยากบอกใครก็ดีเหมือนกันเจริญคนเดียวเจริญคนเดียว แต่บางคนบอกเออทำบุญแล้วให้คนอื่นรู้ด้วยเขาจะได้อนาโมทนาบุญกันคนนี้จะมีบริวารสมบัติเพิ่มเป็นธรรมดาบุญก็ต่อบุญใจก็ต่อใจอย่างนี้นะโยมนะเพราะฉะนั้นอาตมา ถ, ถึงบอกว่าเออถ้าใครมีจิตศรัทธาจะเอาโปสเตอร์ก็ดีเอาอะไรหรือบอกกล่าวกันให้มาปฏิบัติธรรมหรือไปปฏิบัติในที่ที่ เ, ออเราจัดขึ้นไว้สาหรับ ให้ปฏิบัติธรรมรักษ า, าท่านก็ได้บุญนี่แหละและบุญใหญ่ด้วยบุญมากด้วยไม่น้อยเลยเอาละวันนี้อาตมาก็พาข่าวาให้เข้าใจถึงฐานกุศลก็ต่อแต่นี้ไปก็พอเหมาะกับเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้รักษาศีลรับศีล น, นะแล้วก็นั่งเจริญภาวนาแล้วเราจะได้ถวายสังฆทานกัน บูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการพระประธานพุทธชัยยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัด ร, ราชบุรีและเชิญชมนิทัศการพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์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 ที่ญาติโยมได้รับฟังจบลงไปเมื่อครู่นั้นก็เป็นสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลในเรื่องหลักของการทำบุญหรือการบำเพ็ญบุญในทางพระพุทธศาสนาในข้อทานกุศลหลวงพ่อท่านได้อธิบายทั้งในส่วนของทานที่เป็นอามิตรทานทานด้วยวัตถุสิ่งของและยังสูงขึ้นไปจนถึงธรรมทาน ด้วยการให้ธรรมะเป็นทานซึ่งเลิศกว่าการให้ทานทั้งปวงดังมีพระพุทธพจน์พระบาลีรับรองว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทรรมเป็นทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงสาธุชนก็คงได้รับสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคลู พอที่จะได้นําไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะแก่โอกาสเพราะการทําทานหลวงพ่อท่านได้บอกแล้วว่าไม่เฉพาะจะต้องเสียสละวัตถุสิ่งของปัจจัยเงินทองเสมอไปถ้าเรามีปัญญาเสอย่างเรารู้หลักของการทําบุญแล้วก็สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมทานก็ได้หรืออภัยทานก็ได้เหล่านั้น คือสารธรรมจากธรรมสุสันติในวันนี้นํามาฝากท่านสาธุชนสําหรับรายการธรรมสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากภัยพิบัติโกรคาพาด ท, ทั้งปวงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัตวธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบทั้งปวง สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติตลอดกาลละนานเทินเจริญพร